สนะสู่ธรรมเรื่องความคิดจิตก่อนคิดโดยอาจารย์โกวิศอเนกชัยเขมานันทะวันที่22มิถุนายน2540ผมไม่ได้มอมันยายทีแต่ก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่เริ่มมันยายสิ่งที่เรื่องธรรมะผมไม่รู้จะพูดอะไรความไม่รู้นี่ปรากฏขึ้นอย่างมาโหลานเลยนะ เพราะว่าสิ่งที่เราเรียกกันหรือได้ยินนาของสภาวะทั้งของตัวเองและของโลกอยู่นอกถ้อยคำความคิดของเราดูเหมือนว่าความจริงของธรงชาตินะครับซ่อนตัวอยู่ซึ่งซึ่ ง, งหน้าดังนั้นด้วยอาศัยสื่อภาษาซึ่งเปที่มางความคิดรังแต่ทำให้จิตสร้างโลกของมันเองขึ้น เรามักได้ยินในนามของค่าสมมติและเรามักจะได้ยินคู่เปรียบว่าค่าประมตณค่าสมมติหมายว่ามนุษย์สร้างคุณค่าขึ้นเช่นตัวอย่างทองคำสิ่งมนุษย์เท่านั้นที่รู้สึกว่ามีคุณค่ามหาศาลในขณะที่ดินเหนียว กนดินที่ฝุ่นก็กลายเป็นสิ่งไร้ค่าไม่มีมูลค่าแต่ผมคิดว่าทุกคนพอจะนึกตามได้มึกสั่นไม่ว่าจะเป็นลิงหรือเป็นไก่หรือปลาหรือนกจะรู้สึกว่าดินเหนียวกับทองคํานั้นแตกต่างกันไม่มากอาจจะต่างสีสันแต่มูลค่านั้นทัดเทียมกัน มันเป็นศูนย์ไม่ได้เป็นบาอนไม่ได้เป็นสตางค์ไม่ห็นไม่ดีไม่ได้ชัว่วในตัวมันเองต้นแบบคติธรรมโบราณนะครับว่าการที่เราได้พบปะกันในห้องประุมนี้คติโบราณที่เชื่อกัน็คือกี้อาจจะเป็นครั้งอดีตแต่ปางหลังเราเคยทำบุญร่วมกันไว้เมื่อเะนั้นทำามจะต้องพบกัน ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์พูดไว้นะครับว่าผู้ที่รับพระพุทธศาสนาหรือมีความทราบซึ้งในคำสอนของพระเจ้านั้นครั้งอดีตเคยตั้งจิต ป, ปรารถนาจะเป็นพุท ธ, ธมาแล้วทั้งสิน้นและผู้ที่เคยปรารถนาจะเป็นพุท ธ, ธหรือเข้าถึงพุท ธ, ธก็จะรู้ธรรมะได้แต่ผู้ที่ไม่ปรารถนาจะเข้าให้ถึง ก็จะรู้ว่รมะอีพิดาภูในบรรดาประดิษฐกรรมที่ล้ำเลิศที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบหรือประดิษฐ์ได้ไม่มีสิ่งใดที่มีอ่อนภาพร้ายแรงเท่ากับภาษาหรือบ ป, ประมณนูหรือคิปนาวุธหรืออะไรๆที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ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 ถ่ายทอดประสบการณ์จากอนุชนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งได้ถ้าไม่มีภาษาไม่สามารถถ่ายประสบการณ์นั้นได้ไม่ว่าเป็นภาษาเขียนภาษาพูดหรือภาษาสัญลักษณ์ต่างๆที่มนุาษย์ใช้สื่อสารกันจนทไายที่สุดประสิทธิภาพมันสูงส่งของภาษาก็กลับกลายเป็น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 มันก็เลยไ ม, ไม่มีสักอย่างเดียวเมื่อจะคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่ใดมโนมภาพสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นแล้วมันจอใจของมนุษย์มีสิ่งมหา ร, รยลในการเนรมิตขึ้นสิ่งที่เราคิดขึ้นส่วนใหญ่ทั้งหมดมนะครับเป็นเรื่องของอดีตถูกเนรมิตขึ้นใหม่แล้วิธีชีวิตที่ขึ้นกว่ความคิด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 เมื่อผมคิดถึงจังหวัดที่เคยอาศัยอยู่ภาพของอดีตก็จะปรากฏขึ้นอมน์ภาพปรากฏขึ้นในจอใจแล้วมันถ้าผมไม่รู้ตัวในขณะนั้นนั้นอามภาพปรากฏขึ้นควบคุมจิตใจผมโดยทั้งหมดแล้วก็เริ่มมีอารมณ์อะไรอววาน หรือดีใจหรือเสยียใจอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าว่าในขณะที่มโนภาพปรากฏขึ้นต่อจิตโปรดสังเกตผมใช้สองถ้อยคำนะครับว่ามโนภาพปรากฏในจิตเราจะถูกควบคุมทันทีจากมโนภาพนั้นเพราะเราไม่รู้ตัวครับราะสิ่งที่เกิดในจิตทั้งหมดเป็นมายาภาพทั้งสิ้น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 เกลือประดุกับคลื่นสองลูกกับท่ากันเต็มแรงผลก็คือกระจยหอยศูนย์ลงลระไคขอดูบางสิ่งดูนะครับว่าเรามีตาสงหรับเห็นรูปถ้าไม่มีรูปให้ดูเลยเนะี่ยตามจะละลายไปด้วยครับแตทหารจะ ก, ก็ให้หมดหน้าที่หรือแขนที่ใช้แกว่งไกวและจับต้อง ถ้าเราไม่ใช้แขนานานมจะรีบครับมันจะรีบเข้ารีบเข้าดัมนันอวยวะหรือองค์อินทรีย์ทุกส่วนมีหน้าที่ใช้สอยควบคู่กับอารมณ์ที่กำมังประกอบถ้าลมไม่ปรากฏอินทรีย์ก็จะหมดหน้าที่ลงหมดกิจลงในขณะเดียวกันเมื่ออินทรีย์ไม่ทำหน้าที่ของอินทรีย์อารมณ์ก็จะจบลงด้วยสองส น, นี้มาและไปด้วยกัน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 เราดูภาพหรือบางครั้งเราเปิดโทรทัศน์ที่ภาคบรรยายเป็นภาษาซึ่งเราไม่เข้าใจเราก็เห็นแต่ตัวละครอ้าปากผูกปากปากับพริบ้าเดินหน้าเดินหลังเสียงได้เย็นอยู่แต่เราไม่เข้าใจความหมายนั้นแสดงเราถอนตนจากการตามติดในเรื่องใปมาเป็นผู้สำรวจอิสระ ตรงนีเน้เป็นประสบการณ์ที่สำคัญนะครับแต่ผมไม่ได้แนะให้ไปนั่งดูทีวีด้วยวิธีนี้นะครับเพียงระยกตัวอย่างให้ดูต่อจากนั้นท่าเรลาเรื่องสังเกตให้กระชันชิดขนึนอีเราเรื่มเห็นลำแสงอย่างภาพจักกลางแจ้งนะครับที่ก็ฉายกลางแจ้งเราเห็นลำแสงพุ่งมาจากเครื่องฉายเราก็ค่อยเลื่อสายตา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 ซึ่งตรงข้ามกับการทำแม้น้อยนิดแต่จะมีผลมากมายอย่างคาดไม่ถึงนั่นก็คือการถอนตนจากความคิดก็ อ, อาจจะต้องตั้งคาถามขึ้นมาว่าถ้าเราถอนตนจากความคิดแล้วเราจะกลายเป็นคนไม่มีหัวคิดหรือเปล่าแล้วเราเดําดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่ความคิดให้ําหมาย และสวัสดิการกับเราคนที่คิดมากคิดเก่งคิดชัดเท่าไรเขาน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คงไม่มีไครโตยังอยู่โตเถียงได้นะครับแต่ขอสังเกตจริงหนึ่งก็คือเพราะความคิดอันมากมายใช่หรือเปล่าครับที่ทำาเราทุกข์หนัทุกวิกฤตการณ์ทั้งหมดมันมาทางความคิด เขาไเชิญหน้าสองด้านแล้วครับทําอย่างไรเราจรึงจะไม่สูญเสียความคิดแต่เราไม่จําเป็นต้องทุกกับความคิดด้วยดูความต้องการของเราดูจะขัดแย้งอยู่ในตัวบางครั้งบางคืนนะครับเรานอนไม่หลับสาเหตุก็คือเราไม่อ่อนหยุดยั้งความคิดของเราได้เราไม่อยากจะคิดเลยด้วยแม้เรารู้ดีว่าถ้าคืนคิดเราจะเจ็บปวดแต่เราอดไม่ได้เรารู้ดีว่ากรณีทนนี้เราไม่อยากจะโกรธ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 ที่เป็นลูกริเยืนต่อหน้าลูกเรารู้สึกเราเป็นใครันหนึ่ง ท, ที่ยืนอยู่ต่อหน้าที่ยืนอยู่ต่อหน้าแม่หรือลูกของเราตั้งอยู่กันไดครับภาพสะท้อนนั้นนนะครับเปรียบเหมือนภาพลวงตาในทะเลทรายหรือในฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดทำให้เกิดชั้นบรรยากาศ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 และพลังมนุภาพของมนุษย์สำหรับสัตว์ดริชาญบางชนิดนะครับที่มีความเฉลิวฉลาดเช่นสุนัขอาจจะมีมโนภาพแต่กินช่วงสั้นๆผมเคยทดลองเลี้ยงสุนัขสองตัวครับในวันหนึ่งเขาเขาก็กินอาหารคือกระดูกกระดูกก่เขากินให้หมดเพราะมันมากมีชาบ้านคนหนึ่งเอามาให้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 มิติทางความคิดก็คือมิติขความจําในสิ่งอดีตในการกระทําครั้งอดีตในความรู้สึกครั้งอดีตเพราะนั้นคนที่ฝังแน่นอย่างในการกระทําความรู้สึกความจําครั้งอดีตอาจจะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากนะครับแล้ววันหนึ่งเราพบว่าในความหลักแหลมของความทรงจํานั้นได้ ก, กลายเป็นวัพันหลัก เชื่อว่าทุกคนหลายคนคงเข้าใจคำวัวพัน์หลักแต่ถ้าคนรุ่นใหม่อาจจะลําบากครับเพราะไม่ค่อยเห็นไม่คยเห็นวัวเท่าไหร่วัวที่มันเด่นยันหนีไปกลางทุ่งไปกินหญ้ามันยิ่งดิ้นเท่าไหร่ยิ่ ง, ง, งพันตัวมันเองเข้าในสุดวันถึงชั่วขนาหนึ่งก็ล้มตึงทุกทกขณะกระแสความคิดไหลผ่านเราครับแล้วสิ่งที่เรียกกันว่าอาสวะ ผ่านก็้ามาทางความคิดกระแสอาสวะไหลต่อเนื่องอยู่ในตัวเราครับโดยที่เราไม่รู้ตัวดะงนั้นหลักธรรมในพุทธศาสนานั้นที่ตรงไปสู่การทําลายความไม่รู้ตัวครับเพื่อเข้าไปตัดกระแสอาสวะที่ไหลอยู่ลึกที่นีผมพูดเอ่ยถึงคำว่าสติครับที่เราคิดว่า สติทำให้ละกิเลสลาขะโทสะโมหะหรือบางคนนดอธิบายขยายว่าถึงขนาดละอาส ว, วะได้ด้วยแต่ทั้งไม่ตรงตามที่เป็นจริงครับสติในความหมายคำ ว, ว่ารู้ตัวนั้นมีความหมายหลายซับหลายซ้อนพระองต์รงต่ัว่าสติเป็นสิ่งที่ดีแต่สตินั้นละเวณหาได้ไม่ เวรคืออะไรครับอย่างตอนเราเป็นนักเรียนครูก็จับให้ทําเวรสมัยนี้คงไม่มีแล้วครับสมัยโบราณต้องจัดเวรแล้วก็อยู่เวรเฝ้าเวรถึงเวลาต้องทํานั้นเวรก็คือกรรมคุณท่านั่นเองครับถึงเวลาต้องอยู่เวรอีกแล้วต้องไปกระทํามันอีกแล้วครับในการเสพในการกินในการอะไรสุดแท้นะครับเพดังนั้นสติละเวรไม่ได้ครับเหมือนเวลาเราโกรธ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 ให้ท่านสอนเหมือนที่พวกเราส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าเมื่อราคะก็ดีโทสอบโละโมหะปรากฏขึ้นให้เรามีสติกําตรู้ว่าราคะเกิดขึ้นแล้วแล้วให้ปิจารณาว่าราคะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวอิจ ต, ตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยหลักทฤษฎีแล้วไม่มีอะไรน่าสงสัยคลางแคลงว่าจะปิด เชื่อฟังต่ามันนะครับก็ปฏิบัติตามแต่โดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมแล้วพบว่าหนักขึ้นครับพราะมราคะโทสะโมหะเกิดไปดูมันเข้ามาันเลจำอารมณ์นั้นครับจิตทุคนธรรมดาทั่วไปเห็นอะไรจะจำอารมณ์นั้นเต็มทีันั้นยิ่งจํามันไว้เท่าไร่ยิ่งหนักขึ้นรุนัรงขึ้นทุกดีทุกทีแทนที่จะเบาโปรง่งสบายสบาย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 แทนที่จะดูราคะโทสะโมหะผมต้องสำรวจพื้นใจก่อนหน้าที่ราคะโทสะโมหะปรากฏนั้นให้ใหแนบแน่นให้อันนี้เป็นเนื้อเป็นตัวเลยครับนั่นคือแทนที่จะเอาตัวโทสะราคะโมหะต้องเอาตัวไม่มีนะครับเอาตัวไม่มีเป็นฐานปกติที่เรานั่งอยู่เนี้นะครับไม่มีครับผมเชื่อทั้งนั้นนะราคะก็ไม่มีครับโทสะก็ไม่มี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 ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวงเราดูเรื่องเลื่อเป็นระยะระยะครับแต่แล้วเพราะความจําความจํานั้นเปียกเหมือนมือที่เปียกน้ํานะครับแล้วเราซุกลงในสายแห้งจะห้ามไม่ให้สายติดขึ้นมานไม่ได้ ค, ความจําคนทั่วไปนั้นยังเปียกชื้นไปด้วยความปรารถนาคือชอบจำเมื่ออารมณ์ที่เองปรารถนาไอ้สิ่งที่ไม่ปรารถนาก็จํากันแต่จำในแง่ลบใครด่าเจ็บเจ็บก็จําไว้หรืออะไรที่อร่อยเพลิดเพลินก็จะจําไว้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 และมิถีของตะการคือคิดแยกแยะตลอดเวลาคาดการพยายามร่อ น, นมิธีแห่งความตรึกหรือวิธีแห่งตะการจะต้องถูกเปลี่ยนยุทธวิธีครับการภาวนานั้นไม่ใช่อะไรอื่นนะครับคือยุทธศาสตร์แห่งการดารงชีวิตอยู่ใหม่แทนที่จะคล้อยตามกระแสความคิดแยกแยกแะเราเปลี่ยนยุทธศาสตร์แห่งสัมผัสบริสุทธิ์ฐานของมันคือความรู้สึกตัวครับ เรากระพิบตามมีความสึกสดประการหนึ่งปรากฏขึ้นมื่อหายใจเข้าหายใจออกพร้อมเป็นประสบการณ์จริงซึ่งเรามักเรียว่าปัจจุบันขณะแต่ประเด็นนี้ครับที่เป็นประเด็นสกัดจากการที่ว่าการเปลี่ยนยุทธศาสตนี้เป็นสิ่งที่ยากยิ่งครับเนื่องจากเราติดในอารมณ์เราจำมันอย่างมั่นคง